รู้จริงแล้วจัดให้ตรงเอาคําแปลที่ผิดออกจากหนังสือพุทธธรรมเรื่องที่นึกว่าจบไปแล้วเพิ่งมาได้ทราบว่ายังมีความเข้าใจผิดที่ทำให้ติดค้างอยู่ก็คือเรื่องคําแปลสิกขาบท150ท้ท่วนในพระไตรปิฎกภาษาไทยนั่นเองเรื่องนี้ดังที่บอกแล้วว่าได้ชี้แจงอธิบายเสร็จและพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆไปแล้ว ในช่วงปีพุทธศักราช 2,552 ถึง 2,554 จึงนึกว่าเสร็จว่าจบไปอย่างที่ว่าแล้วแต่ดังได้เล่าข้างต้นมีบางท่านช่วยให้ทราบว่าไม่นานนี้พระคึกฤทธ์ได้พูดข้อความที่ว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อตามท่านประยุทธ์ใหม่ในตัวพุทธธรรมล่าสุดด้วยใช่ไหมทําให้ทราบว่าพระคึกฤทธ์ยังเข้าใจไม่ชัดไม่ตรงในเรื่องนี้ และเห็นว่าควรชี้แจงอธิบายให้ทุกท่านทุกคนชัดและตรงไปด้วยกันความจริงถือได้ว่าเป็นการดีที่พระคึกฤทธ์พูดขึ้นมาเพราะถ้าเฉยผ่านไปก็เหมือนปล่อยไว้ให้เรื่องมีแง่มุมที่เป็นช่องให้มีการตั้งข้อสงสัยหรือจับเอาไปพูดให้เข้าใจผิดได้ในแง่นี้จึงควรขอบใจพระคึกฤทธ์ด้วยคราวนี้ได้พูดทบทวนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเล่มแล้ว ท่านที่อ่านตลอดมาถึงนี่คงจะชัดเจนแล้วในเรื่องคำแปลในพระไตรปิฎกนั้นว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะพูดต่อให้จบในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพุทธธรรมที่พระคึกฤทธิ์ยกเรื่องขึ้นมาที่ว่าเปลี่ยนคือในการพิมพ์ครั้งใหม่ของหนังสือพุทธธรรมได้เปลี่ยนพุทธพจน์ที่นำมาตั้งแสดงหลักไตรสิกขาดังต่อไปนี้ ในหนังสือพุทธธรรมที่พิมพ์รุ่นเก่าหน้า660ยกพุทธพจน์หนึ่งมาตั้งว่าภิกษุวัชีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิกขาบท150ทั้วนนี้ย่อมมาสู่การสวดทุกกึ่งเดือนข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะศึกษาในสิกขาบทเหล่านี้ได้ไหวพระพุทธเจ้าดุกระภิกษุเธอสามารถจะศึกษาไหวหรือไม่ในสิกขาบทสาม คืออธิศีลแสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาครั้นมาในหนังสือพุทธธรรมที่พิมพ์รุ่นใหม่หนาห้าร้อได้ยกพุทธพจน์อีกบทหนึ่งมาตั้งแทนพุทธพจน์ข้างบนนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายสิกขาสามนี้สเป็นฉไนะคืออธิศีลแสิกขาหนึ่งอธิจิตตสิกขาหนึ่งอธิปัญญาสิกขาหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายก็อาิศีลสิกขาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาิศีลสิกขา เป็นอันได้เห็นการเปลี่ยนที่ว่านั้นชัดเจนแล้วที่จริงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องชี้แจงอะไรก็เปลี่ยนให้เห็นกันชัดๆแต่จะเล่าเรียงเรื่องให้ฟังชัดตลอดอีกทีจะเห็นว่าที่เปลี่ยนนี้ก็คือคราวนี้ไม่ยกพุทธพจน์เรื่องไรสิกขาที่มีคำแปลว่าสิกขาบท150ท้ท่วนนี้มาตั้งแต่ยกพุทธพจน์เรื่องไรสิกขาอีกบทหนึ่งมาตั้งแทน การเปลี่ยนนี้ดำเนินไปตามที่ควรจะเป็นตามปกติขอเล่าให้เห็นเรื่องของตอนนี้ต่อเนื่องตลอดคือในหนังสือพุทธธรรมตรงนี้พูดมาถึงหัวข้อว่ามัคในฐานะไตรสิกขาหรือระบบการศึกษาสำหรับสร้างอารยชนพูดสั้นๆก็คือมัคในฐานะไตรสิกขาอย่างที่ว่าแล้วในหนังสือพุทธธรรมรุ่นเก่า ยพุทธพจน์เรื่องไตรสิกขามาตั้งบทแรกต่อจากนั้นยังมีพุทธพจน์แสดงหลักไตรสิกขาบทอื่นอีกไม่ใช่มีบทเดียวนี้มีคําแปลที่ว่าสิกขาบท150ทห้่วนนี้ซึ่งเป็นคําแปลที่ผิดพลาดดังได้พูดมาคราวนี้ข้างต้นแล้วว่าตามปกติพระไตรปิฎกแปลนั้นท่านผู้แปลได้ปกติก็พยายามแปลอย่างดีแล้วเมื่อเราจะยกพุทธพจน์มาอ้างเพื่อให้สะดวก ก็ไม่ไปเสียเวลาแปลเองก็ยกที่ท่านแปลไว้แล้วมาใช้เลยแต่ถ้ามีอะไรสะดุดหรือเฉลียวใจก็ตรวจสอบกับพระตายปิฎกบาลีที่เป็นต้นทางถ้าพบอะไรผิดพลาดหรือน่าจะให้ชัดให้เหมาะยิ่งขึ้นก็ค้นเจาะจริงจังตรงนั้นและปรับแก้เฉพาะที่เฉพาะที่จนเสร็จไปตามปกติการที่จะมีข้อสะดุดหรือเฉลียวใจให้ตรวจสอบนั้น ก็เพ่งไปที่ทอยคำเนื้อความที่เป็นสาระหรือเป็นประเด็นของเรื่องอย่างในกรณีนี้สาระที่จะระวังก็คือเป็นเรื่องไตรสิกขาในกรณีนี้คำแปลที่ตัวสาระคือไตรสิกขาไม่สะดุดก็ผ่านไปแล้วคำแปลนี้ก็เลยมาอยู่ในหนังสือพุทธธรรมด้วยเมื่อมีเรื่องให้พิจารนากันก็ตรวจสอบ และเมื่อมาพบคำแปลที่พลาดนั้นเข้ามาอยู่ในหนังสือพุทธธรรมวิธีง่ายที่สุดก็คือแก้คำแปลตรงนั้นจากสิกขาบท150้ท่วนนี้เปลี่ยนเป็นสิกขาบท150พร้อมทั้งที่เกินนี้แต่มีเรื่องแทรกว่าในช่วงที่อาตมาเขียนอธิบายเรื่องนี้เสร็จไปไม่นานพระจักวั์ที่อาตมาสังกัดนำคำที่ท่านผู้หนึ่งเขียนขึ้นในอินเทอร์เน็ตมาให้ดู เป็นคำกล่าวว่ายัางรุนแรงเรียกได้ว่าด่านั่นเองอาตมาก็เข้าใจและเห็นใจจึงเขียนอธิบายให้สบายใจแล้วก็มีญาติโยมพิมพ์แจกในงานกระถินคือเรื่องแก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้มีสองเรื่องรวมกันคือพระไตรปิฎกอยู่นี่อยู่ที่ไม่ประมาทในการศึกษาและอีกเรื่องคือศึกษาและเกื้อกูลกันในการศึกษา นี่เป็นการทำให้สบายใจกันในกราวมีเหตุการณ์ที่อาจเห็นว่ากระทบกระเทือนเมื่อได้พบคำกล่าวว่ารุนแรงหรือด่าอย่างนั้นแม้จะเห็นใจและได้พยายามเขียนบอกให้สบายมั่นใจไปแล้วแต่ก็คิดว่าควรทำให้เกิดความโปร่งโล่งสบายใจกันให้มากที่สุดพอดีได้จังหวะเหมาะว่าเวลานั้นหนังสือพุทธธรรมอยู่ในระยะจัดเตรียมพิมพ์ครั้งใหม่ ในระบบใหม่คือแต่เดิมนานเกือบ30ปีแล้วหนังสือพุทธธรรมที่พิมพ์ไว้ด้วยระบบการตีพิมพ์สมัยเก่าเวลาพิมพ์ครั้งใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ต้องพิมพ์ซ้ำด้วยวิธีถ่ายภาพจากเล่มเก่าของเดิมแต่ในการพิมพ์ครั้งใหม่รุ่นใหม่นี้มีท่านที่มีน้ำใจได้พิมพ์เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แล้วตอนนั้นกาลังตรวจจัดข้อมูลอยู่ เป็นโอกาสให้เพิ่มขยายหนังสือขึ้นอีกมากและสะดวกที่จะจัดแก้ด้วยเมื่อพบคำกล่าวว่าดังที่เล่าแล้วนั้นก็คิดว่าพุทธพจน์ตรงนั้นสาระมุ่งที่หลักไตรสิกขาข้อที่ไม่สบายใจแก่บางท่านในเรื่องคำแปลจำนวนสิกขาบทนั้นไม่ใช่สาระสำคัญที่มุ่งประสงค์ในที่นี้พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรสิกขาตรงนั้น ก็ยังมีบทอื่นมาต่ออีกและบทนั้นเองก็นำพุทธพจน์บทอื่นในเรื่องไตรสิกขามาตั้งแทนได้ตกลงว่าก็ยกเอาคำแปลที่ผิดออกไปเสียและนำพุทธพจน์บทอื่นในหลักไตรสิกขามาตั้งแทนที่บทที่มีจำนวนสิกขาบทด้วยวิธีที่ว่านี้ก็ทำให้หนังสือพุทธธรรม ปลอดโปรงจากกรณีอันจะทาให้เกิดความไม่สบายใจไม่ว่าแก่ท่านผู้ใดโดยที่หนังสือพุทธธรรมเองก็ไม่มีอะไรบกพร่องย่อหย่อนลงไปและแง่าามุมในเรื่องนี้ถ้าจะยังค้างกันอยู่ก็จะปลอดพ้นไปจากหนังสือพุทธธรรมเรื่องที่พูดมาตรงนี้เป็นการบอกด้วยว่าถ้าพระคึกฤทิปรารถนาดีมีความจริงใจ ต้องการให้หนังสือพุทธวจนะที่ตนจัดทำขึ้นเป็นหนังสือรวมคำแปลเลือกสรรที่ดีแท้จริงไม่ว่าพระคึกฤทธิ์จะเลือกคัดคำแปลพุทธวจนะมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับไหนตั้งแต่ฉบับที่ท่านเรียกผิดๆว่าเป็นสยามรัฐตลอดจนหนังสือแปลพระไตรปิฎกไม่ว่าเล่มใดๆก็มีงานใหญ่รอหน้าที่จะต้องตรวจสอบแก้ไขคำแปลในหนังสือพุทธวจนะของตนนั้น ให้ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกบาลีอย่างดีที่สุดเมื่อทํางานนี้โดยซื่อตรงอย่างดีที่สุดแล้วหนังสือพุทธวจนะของพระคึกฤตก็จะมีฐานะเป็นหนังสือรวมคําแปลพุทธวจนะที่ดีแม้ว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในขั้นตัดสินชี้ขาดไม่ได้และไม่สามารถแทนที่พระไตรปิฎกบาลีได้เลย ได้พูดมายืดยาวและเรื่องที่มุ่งให้ทุกท่านทุกคนสบายใจโดยอยากให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยดีโดยความเห็นใจเข้าใจในขณะที่ก็ไม่สูญเสียประโยชน์ของส่วนรวมอันจะต้องรักษาไว้อย่างน้อยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจพอที่จะอยู่ได้กับความจริงความถูกต้อง